เธอพิจารณากายเวทนาจิตธรรมยังมีความเพียรมีสัมปัชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้นี้เป็นอีกประการหนึ่งหัวข้อกายานุปัสสนาอาณาปานะบัพภะดูก่อนภิกษุทั้งหลายด้วยการปฏิบัติอย่างไร